สมมติว่าเรามาไปเจอเพื่อนฝูงวัดวงที่เขาก็มาบอกเราว่าเนี่ยเขาติดโรคร้ายอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีในการปลอบให้ไงหรนอเาอาจจะต้องโทรสาวว่าเอ อ, เ อ, อทำไม เ, เขาไม่เห็นไม่เห็นหต้องไปไม่ได้ไปทำตัวหลกักแบว่าทำตัวไปไปมีเพศสัมพันธ์มากๆอย่างเงี้ยทำไมไปครั้งเดียวถึงต้องติด ให้ใส่ไแล้วก็ทําไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทุกใจอย่างเงี้ยเราจะมีควาที่จะมีคําปอบโยนเขายัางไงครับอาจารย์ต้องบอกเขาอย่าไปตั้งคําถามอย่างนั้นไอทําไมจึงเป็นเขาทําไมถึงต้องเป็นเารออาอะไรเงี้ยนถ้าไปตั้งคําถามอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าคุณตั้งคําถามแบบนี้มันก็ตีบตันสิเพราะการตั้งคําถามอย่างนี้ยถามเบ็ดสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการทําให้ตนเองนะ่กคิดอะไรไม่ออกด้วย คำว่าทำไมทำไมทำไมทำไมใช่ไหมมันตั้งได้เยอะถ้าเราบอกว่าแล้วทำไมเราจึงต้องมานั่งรับฟังคุณพูดแบบนี้ใช่ไหมมันก็สามารถจะย้อนถามว่าทำไมกันได้ทั้งนั้นแต่ประเด็นต้องบอกว่าต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าเรื่องอดีตกรรมเรื่องปัจจุบันกรรมเรื่องอดีตต้เหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผล ปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่นอนาคตผลต้องสอนเขารู้จักคำว่าเหตุและผลบอกว่าการเป็นโรคร้ายเนี่ยมันไม่แปลกหลอกถ้ามันจะเป็นหรือไม่เป็นแต่การที่จิตของเราเนี่ยไปซ้าเติมไปซ้ำเติมตัวเราเองเนี่ยมันสำคัญมันตรงนี้มากกว่า เมื่อเราประสบปัญหาชีวิตใช่ประสบโรคร้ายหรือไม่ร้ายก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเมื่อชีวิตเราบอกว่าทำไมทาไมเนี่ยความคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำตัวเองให้เจ็บปวดนะทีนีส้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่า ให้เขาเข้าใจว่าความทุกข์นี่เนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยหายว่าชีวิตเนี่ยถ้าถามบอกว่าเอ๊ะเราไปกระทําผิดเพียงครั้งเดียวทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้เราก็ต้องบอกว่ากระแสชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวข้องเพียงแค่ปัจจุบันอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยในอดีตมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเรารู้ว่ากระแสของชีวิตนี่นะมันเกี่ยวข้องกับในอดีตด้วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราผิดพลาดจากการประโยคะเราวิบัติ ด, ด้วยคือการเพียนผิดด้วยการไม่พิจารณาในปัจจุบันให้ดีให้ท่องแท้ด้วยเมื่อเราไปเกี่ยวข้องบางอย่างขึ้นในช่วงที่อาุสุลกรรมเนี่ยกำลังจะให้ผลพอดีแล้วช่วงนั้นเราไปเปิดโอกาสให้เขาพอดีเมื่อเขาได้จังหวะเขาก็เลียงานเลย ส่วนคนบางคนนั้นน่ะอกุศลกรรมยังไม่ได้มีโอกาสในการให้ผลถึงเขาจะพยายามกระทำมาดูเหมือนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งรู้สึกเขาก็รอดปลอดภัยมาได้เนี่ยเราอย่าไปวัดเพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้อดีตเหตุที่เราเคยทำอะไรมาบ้างนั่นประการหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรสาวหาเหตุมากจนเป็นทุกข์ แต่ให้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะปราศจากเขตนั้นเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมาจากเขตทีนี้มันต้องโยว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์แล้วแล้วเนี่ยถ้าถามว่าทําไมเราจึงเกิดมาเกิดมาทําไมใช่ไหมกับกายไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วต้องบอกว่าหนึ่งดีแล้ว ที่เราต้องมาประเจอความทุกข์ในตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะต้องต้องให้กําลังใจตันเองอย่างนี้แล้วว่าดีแล้วคําว่าดีแล้วในที่นั้นก็คือว่าเราจะได้ตั้งหลกักถูที่บอกว่าตั้งหลักถู ก, ก็คือว่าเราจะได้ตั้งหลักถูกว่าจะไม่ซ้ําเติมตัวเราเองแล้วเพราะการป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายใช่ไหมเมื่อความป่วยนี่เป็นเรื่องของทางร่างกาย แต่การซ้ำเติมตัวเราเองว่าทำไมทำไมแล้วเราก็โทมมนัดทางใจอันนี้เราแปลว่าเราไปซ้ำเติมทางจิตใจของตัวเองบอกเขาให้แยกส่วนกายอย่างหนึ่งส่วนจิตใจนั่นอย่างหนึ่งยิงอยู่กายกับจิตใจนั่นมันสัมพันธ์กันก็ยิงอยู่แต่โรคเนี่ยมันทำร้ายได้แต่ทางกายเท่านั้นแหละทีนี้ทางใจเราจะให้อาหารให้ข้อมูลคำสอนอย่างไรของพระพุทธเจ้าเราต้องบอกว่าตอนนี้ ขอให้ทุกที่เกิดขึ้นจงเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาในพระธรรมตรยัยเมื่อเราศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยความทุกข์นั้นกลับเป็นสิ่งที่ดีไปถ้าถามว่าคนที่จะเข้าถึงคําสอนทั้งหลายล้ว น, วนแต่มาจากความทุกข์ทั้งนั้นคนที่ผิดหวงังคนที่เจ็บปวดคนที่ล้มละลายคนที่สะหัดสกันในชีวิตบุคคลนี้ต่างหาก เอาเอาความทุกนั้นเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาแต่อย่าเอาความทุกมาเป็นปัจจัยแก่ความโศกความลำลํายลำพันเดี๋ยวอ า, อาวิชาโมหะมันจะปิดเพราโมหะมันปิดแล้วมันจะทำชั่วใหญ่พราะทำชั่วเบีดเสร็จก็ยิ่งเสียหายฉะนั้นทุกนี้ดีไหมดีถ้าเกิดขึ้นกับคนที่มีศรัทธาในพระรรมไตรไตรฉะนั้นตรงนี้บอกว่าถ้าเขาเกิดปัญหาชีวิต อย่างนั้นเราก็บอกเขาบอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าถามว่านางปต aja ลาก็ทุกใช่ไหมนางปต aja ลาเนี่ยสามีก็ตายในป่าเปี่ยวลูกน้อยก็ถูกเหี่ยวเฉียวไปแล้วก็ลูกคนโตก็จมน้ําตายพี่ชายและพ่อแม่ก็ตายบนเชิงตะกอนเห็นไหมเนี่ยความทุกข์ ผลักดันให้นางเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นความทุกข์ไม่ใช่จะเป็นเรื่องเวลวร้ายเสมอไปนะกตกลายเป็นเรื่องดีสําหรับคนมีปัญญาและคนมีบุญนะฉะนั้นการไม่ซ้ําเติมตนเองที่จะทําให้ตนเองเข้าสู่กายทุจริทธวจีทุจริทธและก็มโนทุจริทธต่างหานะที่จะเป็นเหตุทําให้ตนเองถอนตอนออกจากความทุกข์นั้นได้